ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเปลี่ยนแปลงตนให้พ้นทุกข์ตอนที่สโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่18ก ร, รกฎาคม2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ คราวที่แล้วก็พูดมานะถึงสี่หัวข้อละพอดีพระสูตรนี้มีทั้งหมดหกหัวข้อนะก็ทบทวนนิดหน่อยเพื่อคนที่ยังไม่ได้ฟังนะพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ใช้ทาจิตเมตตาให้มากขึ้นเพื่อจะแก้อะไรเพื่อแก้เรื่องของจิตพยาบาทและท่านก็สอนว่า จงทําจิตกรุณาให้มากขึ้นเพื่อแก้ลายเพื่อแก้ตัวความเบียดเบียนแล้วก็ทําจิตมุทิตาให้มากขึ้นนะเพื่อแก้ความที่เรียกว่าปฏิฆะความไม่ยินดีความไม่ชอบใจอะไรต่างๆเสร็จสุดท้ายอันนี้ก็มีทําจิตอุเบกขาให้มากขึ้นนะเพื่อที่จะลดการกระทบกระทั่งลบ ลดการไม่ชอบใจลดการที่เราจะแบบว่าอะไรอึดอัดขัดเคืองถือสาอะไรต่างๆเนี่ยลงไปซึ่งทั้งทั้ง4ี่หัวข้อนั้นก็พูดไปให้ฟังแล้ววันนี้เหลืออีกสองหัวข้อคิดว่าวันนี้ก็เอาให้จบะนะพุทธเจ้าท่านกระตัดต่ออีกว่า เธอจงทำจิตเห็นอสุภะมากขึ้นเห็นไม่สวยในของที่ติดว่าสวยเพราะเมื่อเห็นอสุภะอยู่ก็จะละราคะกำหนัดได้ดูนะท่านบอกว่าเห็นไม่สวยในของที่ติดว่าสวยซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าคนเราเนี่ยอาตมาถามหน่อยว่าเห็นของสวยเนี่ยเห็นเหมือนกันไหม บางคนก็บอกว่านี่สวยใช่ไหมแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยเพราะนั้นคำตรัสนี้ของพุทธเจา้าท่านบอกว่าของไหนที่เราเห็นว่าสวยของนั้นอะ่ะเราต้องมาหัดปรับจิตเราที่จะต้องเห็นอีกมุมนึงละมุมตรงกันข้ามก็คือเห็นว่ามันไม่สวยตรงไหนเวลาเรารักเราชอบอะไรหรือเรากินอาหารอะไรอร่อยนะอันนี้ยกตัวอย่างเลยไปเลยถึงเรื่องอาหารการกิน เรื่องเสื้อผ้าที่เราใส่หนังที่เราชอบดูเพลงที่เราชอบฟังถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบพูดง่ายเราเรียกว่าสุภาสุภาเนี่ยแปลว่าสวยๆงามๆวันของไหนที่เราชอบละ่ะถือว่าเป็นสุภาพทั้งหมดแต่ตอนนี้แต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันเห็นสวยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเอาของอย่างเดียวกันเนี่ยมาบอกว่า นะให้คนนี้เห็นเป็นของไม่สวยซะแล้วก็จะเกิดผลทําให้ลดละความชอบของตัวเองได้อันนี้ไม่จริงเพราะบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยเอชอบกินอะไรอ่ะหน้านี้หน้าอะไรหน้าเนี้อลรามใหญ่สมมุตินะบางคนชอบกินลำไหญ่เงี้ยนะก็โอ้โหจะเห็นลำไยญ่ก็แหมอร่อยสิชอบกินก็จะกินเยอะหรือว่าจะกินมากอ่า แต่คนที่เขาไม่ชอบอ่ะเขาเห็นลำไยเขาไม่ได้ติดเหมือนเราเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบเหมือนเราเพราะนั้นพอเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาเาไม่ชอบอยู่แล้วจะเห็นเป็นของไม่อร่อยซะก็ก็เขาไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นจริงๆเขาก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่อร่อยมันไม่สวยไม่งามอะไรเพราะนั้นอันนี้คนนี้ไม่ต้องทาจิตอะไรเลยเพราะนั้นคนที่เห็นอะไรต่างหากล่ะที่ว่าสวยที่ว่างามที่ว่าเราชอบ มุมนั้นแหละที่พระเจ้าบอกว่าต้องหัดเห็นเป็นตรงังข้ามให้ได้เพราะอันนี้จริงๆแล้วคนเราเนี่ยจะมีความลำเอียงหรือว่ามีกิเลสของตัวเองของไหนที่เราชอบเราก็จะใช้มากหรือว่าอยากจะซื้อมากๆหรืออยากจะกินมากๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านเลยหัดให้เราเนี่ยพิจารณาซิว่าไอ้ที่เราชอบเราติดอยู่เนี่ยมีมุมไหนบ้างของสิ่งเนี้ย ที่เราเนี่ยเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นโทษภัยเห็นเป็นความไม่ดีนี่นี่คืออสุภะคราวนี้ต้องเห็นให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเห็นยากอย่างเช่นเราชอบกินอะไรอยู่เนี่ยเราติดเนี่ยให้เห็นว่าไม่อร่อยโอ้โหมันง่ายทุกเมื่อไหร่กินทีไรก็อร่อยทุกทีอ่ะมันจะแบบเห็นเป็นไม่อร่อยเนี่ยโอ้โหยากจริงๆอ้าว เราเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเราให้ปฏิบัติธรรมที่เนี่นะเราให้รู้เรื่องของทุกอริยสัตว์คือรู้รู้ความเป็นจริงว่าจริงจริงของเนี้ยที่เราติดที่เราชอบเนี่ยจริงๆรงแล้วมันมันไม่ได้อร่อยอย่างที่เราคิดแล้วก็ให้นักปฏิบัติธรรมซึ่งมาปฏิบัติที่วัดแล้วให้เขารองหัดพิจารณาบางคนเนี่ยเป็นปะเป็น ก, กักเป็นนาคเป็นเนนเป็น สิกขาาสตรเป็นสมณะเนี่ยช่วงนั้นก็ร้องให้หัดเลยตอนช่วงนั้นพอท่านสอนเรื่องของอริยสัจปรากฏว่ามาถามบางคนเนี่ยขณะอยู่วัดมาตั้งเป็นสิบปีแล้วก็ให้แบบว่าเอาลองพิจารณาอันนี้สิเรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็พูดตามความเปจริงนะเขาก็โกหกตัวเองไม่ได้เขาก็บอกไอเนี้ยเขาเคยติดมาเอาสมมุติว่าเป็นขนม อะไรฮะไม่เอาละทุเรียนพอละทุเรียนยกตัวยอย่างบ่อยเอาขนมอะไรที่กินๆกันอยู่เนี่ยขนมตาลเอาอาหารดีกว่าขนมเดี๋ยวบางคนก็ก็บอกโอ้ขนมไม่มีประโยชน์ไม่กินอยู่ละเอาอาหารอาหารอา่อาอ่าส้มตําดีกว่าเพราะว่าส้มตํานี่เดี๋ยวนี้ต่างประเทศยังชอบเลยนะส้มตำขายดีขายดี สมมตเนี่ยเราชอบกินส้มตาเขาก็บอกว่าเนี่ยพิจารณายังไงก็ตามกินทีไรก็ตามก็อร่อยทุกทียังยังนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่ามันจะไม่อร่อยยังไงอาตมาถึงบอกโอ้โหมันยากจริงๆที่จะให้เห็นเป็นอสุภะเนี่ยเห็นเป็นของที่เราไม่ชอบทั้งๆ ท, ที่ใจเรามันชอบอ่ะเพราะนั้นมีที่อาตมาเคยคุยด้วยนะนักปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยอ่าเขาเป็นผู้หญิง เแล้วปรากฏว่าเขาไปชอบผู้ชายเสร็จได้มาคุยกันมามาคุยกับอาตมาอาตมาก็พยายามคุยอสุภาต่างๆให้เขาฟังนะโอ้โหผู้ชายคนนี้นะไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นินนสัยเสียอย่างนั้นอย่างนี้นะคุยไปตั้งเยอะตั้งแยะเขาฟังเสร็จเขาก็บอกเขาก็ยังชอบอยู่เลย <c oughs> <c oughs> เขาก็ยังรักผู้ชายคนนี้อยู่เลยโอ้โหคุยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนกอแหบกอแห้ง ไม่ใช่อาจมารูปเดียวนะยังมีรูปอื่นช่วยพูดช่วยคุยนะยังไงเขาก็บอกยังไงเขาก็รู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ดีกว่ามีมีดีมากกว่าที่จะไม่ดีทั้งทั้งที่ยกตัวอย่างให้เขาเห็นจระจะเลยนะเห็นชัดชัดเลยคุณบอกว่าดีได้ยังไงเอาอย่างเช่นเรื่องนี้เอายกตัวอย่า ง, างดูซิเนี่ยเขาเอาเปรียบคุณขนาดไหนเนี่ยโอ้โหเงินทองเขาก็ให้คุณออกให้เอาสมมุติไปด้วยกันอย่างเงี้ยเงินทองเขาให้คุณออก ทั้งที่จะจริงผู้ชายควรจะออกใช่ไหมโดยปกติเออแต่ที่ผู้หญิงต้องออกให้ผู้ชาย <c oughs> อ้าวแล้วก็เอาเขาชวนไปเที่ยวเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียกว่าผู้หญิงต้องเสียเปียบโอ้โหทั้งเยอะแย ะ, ยะเลยหลายเรื่องหลายอย่างนายยกตัวอย่างต่างๆนี้ให้เขาฟังฟังเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาก็ยังคงชอบผู้ชายคนนี้อยู่ดีอ่ะเขาก็ไม่เห็นเลยว่ามันจะไปเรื่องเสียหายอะไรกันตะกันหนาอย่างนั้น่ะ เขาไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นเรื่องเสียหายอะไรกันนะกันนาเนี่ยอันนี้อานาจของความหลงหรืออำนาจของความที่เราไปติดไปยึดไปชอบอะไรไว้นะเขาเลยบอกว่าอะไรนะเหมือนกับความรักทำให้คนเราตาบอดบอดทั้งสองข้างเลย <c oughs> บางคนบอกว่าบอดข้างเดียว <c oughs> ไม่อนระบอดทั้งสองข้างเลยเออ ใช่ไม่ใช่แค่ตาบอด น, นะหูหนวกอีกต่างหากกอนอื่นจะมาพูดมาอะไรยังไงให้เห็นอสุภาษ์นะโอ้ฟังแล้วเหมือนไม่ได้ยินเลยอะ่ะเหมือนกับคนหูหนวกอะ่ะเหมือนกับคนหูตึงไปเลยนะฟังแล้วก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอสุภาษ์มันยากอย่างนี้อันนั้นยกตัวอย่างจากเรื่องจริงให้ฟังแต่ตอนนี้เราลองอพิจารณาตัวเราเองเราจะเห็นเลยหลายเรื่องที่เราติด ที่เราชอบเนี่ยซึ่งเป็นสุภาพวันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงตรัสว่าเนี่ยเราจะต้องทําทําจิตของเราเนี่ยให้เห็นอสุภะให้มากขึ้นท่านใช้คําว่าทําจิตนะเพราะว่าประเด็นสําคัญประเด็นแรกประเด็นใหญ่อยู่ที่จิตเราก่อนเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยจะต้องพยายามพิจารณาหรือเขาเรียกว่าอะไรต้องแทงทะลุให้ได้ต้องเห็นแจ้งให้ได้ นะว่ามันมันไม่ดียังไงไอ้ที่เราไปติดเนี่ยนะที่เราเราไปชอบหรือเราไปหลงอันนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าทุกเรื่องนะที่เราไปติดเราไปหลงเนี่ยเรียกว่าสุภะทั้งสิน้นแต่ตอนนี้ในเมื่อมันเห็นยากใช่ไหมพิจารณาเห็นยากเนี่ยคนนั้นเนี่ยบางทีพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อบางทีเนี่ยคนนั้นเนี่ย จะต้องเจอทุกบ่อยๆเจอทุกมากๆอาจจะโดนหลอกอาจจะโดนไม่รู้อาะโดนแกล้งหรือว่าโดนจนกระทั่งเรียกว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเผลอๆถึงขั้นที่เรียกว่าโหร่อแร่ปางตายบางคนเนี่ยนะยังไม่ค่อยจะเห็นทุกเลยก็มีเนี่ยตัวอย่างเห็นเมื่อลหรบางทีกินแข้งกินข่าแทนข้าวต้มแทน กับข้าวอ่ะนะผู้หญิงอ่ะเด้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วโอ้โหนะโดนเตะติดข้างฝามาก็ก <g ười> ีรายแตกกีร่ายแต่แต่บางทีนะไอตอนตอนตอนนั้นเจ็บใช่ไหมไอตอนได้รับบาดเจ็บนี่เจ็บนะว่าไม่แล้วนะว่าเลิกว่าอะไรนะแต่เดี๋ยวเข้ามาพูดดีๆหน่อยพูดหวานๆหน่อยหยอดไออะไรอะ่ะน้ำพึง่งน้ำตาลหน่อยบางทีอ้าวอีกละเอาอีกล่ะเดี๋ยวลืมอีกแล้วนะ ไอ้ที่เจ็บเจบปวดปวดเดี๋ยวลืมอีกละอ้าวอย่างเงี้ยมันจะมันจะลืมง่ายจังเลยมันไม่ค่อยจะเห็นทุกข์ได้ชัดๆเจนเจนสักทีเว่าในที่สุดเดี๋ยวพระทก็วกกลับไปเป็นอย่างเก่าจนกว่าคนนั้นเน่ะจะทุกข์จนถึงขั้นสภาวะจิต ท, ที่มันพูดง่ายว่าหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้ละจริงๆเป็นการหลอกตัวเองนะเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยโหเขาก็ทุกข์นะ เขาก็เจ็บปวดนะเขาก็ทรมานนะเขาก็ลำบากแต่คล้ายๆกับว่าเอาไอ้ความติดความหลงความชอบของเราเนี่ยพยายามมากบไอ้ไอความจริงพวกนี้ทิ<ๆ>้งเหมือนคนซื้อหวยอ่ะคนเล่นหวยอาตมาเคยเล่าเรื่องจริงให้หลายคนฟังอาตมาเคยถามคนคนหนึ่งจริงๆเป็นคนงานะ่ะเป็นอดีตคนงานที่บ้านโยมอาตมาเองอะ่ะซื้อหวยมาเป็นสิบกว่าปี ละมังก็ถามว่าเคยถูกบ้างไหมโอ้ปรากฏว่าลายนี้ไม่เคยถูกเลยนะแต่เขาก็ซื้อตลอดเลยเขาซื้อเพราะอะไรส่วนใหญ่ใครเคยเลยหวยบ้างมีอะไรหวังอยู่เ อ, อหวังว่าไอ้งวดต่อไปคงจะถูกเนะี่ยไอ้งวดต่อไปคงจะถูกเนะ่ะเนี่ยมันเป็นความหวังที่บางทีมันก็หลอกตัวเองไปเรื่อย วันคนเราที่บางทีเราเลิกจากสิ่งที่เราชอบเนี่ยจากสิ่งที่เราติดแล้วเราเลิกไม่ได้สักทีเพราะเราชอบไปสร้างความหวังล ม, ล ม, ลมลงๆแรงๆอย่างเงี้ยเออบางทีเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาอาจจะกลับตัวกลับใจก็าอาจจะดีกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรือหวยเนี่ยก็ว่าเดี๋ยวข่าวหน้าอาจจะถูกก็ได้นี่จะยิงข่าวหรือเปล่าเนี่ยสดๆร้อนๆเขามีข่าวหนังสือพิมพ์ออกมาคนไทยไปไปเมืองนอก เสร็จแล้วไปซื้อหวยลอตเตแล้วก็ปรากฏว่าพอกลับมาเมืองไทยนะเช็คอินเทอร์เน็ตดูปรากฏว่าเขาบอกว่าถูกลงวันตั้งห0ร้อกว่าล้านถูกลงวัน <c oughs> เสร็จแล้วปรากฏว่าไปไปมามาเช็คใหม่อีกทีหนึง่งหนังสือพิมพ์สองฉบับออกมาไม่ตรงกัน ฉบับหนึ่งบอกว่าเนี่ยถูกแล้วก็ได้แล้รางวัลอีกฉบับหนึ่งปรากฏว่าบอกว่าถูกได้แค่เจ็ดร้อยกว่าบาทหรือไงนักแสดงฟิล์มก็ยังเชื่อไม่ได้เลยคิดดูเอาสองฉบับออกมาไม่เหมือนกันเลย <c oughs> แต่อันเนี้ยพูดให้ฟังในแง่มุมที่เราจะได้รู้ว่าเนี่ยมันจะมีความหวังพวกเนี้อยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นคนที่เลิกอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะเราก็ ชอบคิดอย่างที่เราชอบอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็ย้ำเราก็ซ้ำอยู่อย่างเดิมจนกระทั่งเนี่ยมันยึดมั่นมันปักมั่นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็เลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็เลิกไม่ได้แล้วก็ติดเนิบอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นหลายคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ได้ก็เพราะเราก็คิดอยู่อย่างเดิมเราไม่ยอมเปลี่ยนมุมคิดโดยเฉพาะมุมที่บางทีมันตรงัข้ามกับไอ้ที่เราเคยคิดอยู่เนี่ย เราไม่เคยยอมเปลี่ยนมุมคิดบ้างเลยวันถ้าใครเนี่ยอยากจะทําอะไรอยู่ย า, ยาวๆนานๆนะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีนะคุณไม่ต้องเปลี่ยนมุมคิดคุณคิดอยู่อย่างเดิมถ้าคุณศรัทธาเนี่ยคุณก็ศรัทธาอยู่เรื่อยย้าอยู่เรื่อยนะคุณจะไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่ดีอ่าหลายอย่างที่บางทีเรารู้กิเลสเราเองคนอื่นไม่ไม่รู้ด้วยเราหรอกเรารู้ตัวเองว่า เออหลายอย่างเลยไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ยังไม่ดีแต่เห็นไหมว่าเราปล่อยความคิดเราไปเนี่ยเหมือนเดิมทุกทีอ่ะเหมือนเดิมทุกทีแล้วเราก็ทําซ้ําย้ําอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยแก้ปัญหาเรื่องนั้นไม่สําเร็จสักทีติดอยู่ยังไงก็ติดอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะพลาดไม่สามารถที่จะห่างไม่สามารถที่จะดึงตัวออกจากสิ่งนั้นได้ไม่สําเร็จเลย สังเกตดูง่ายๆก็ได้อย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาง่ายที่สุดเลยเรื่องของคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนความคิดคุณนะคุณเคยกินอะไรอร่อยๆหลายๆอย่างที่เราเคยกินอร่อยๆส้มตำก็ได้เราเคยกินส้มตำปูส้มตาใสไอน้น้อยไอ้นี่ะนะที่มีเนื้อสัตว์โอ้โหเราอร่อยเราติดรสชาติอย่างนั้นนะแล้วเราก็ยึดอยู่แต่อย่างนั้น ถ้าคุณยึดอยู่แต่ยังนั้นน่ะคุณมาปฏิบัติธรรมต่อให้คุณฟังธรรมนะว่าเออกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ดีนะมันยังผีสิงข้อที่หนึ่งนะมันเป็นบาปเป็นกรรมหน้าอะไรต่อให้คุณมีความรู้คุณมีความเข้าใจด้วยแต่ความติดของคุณน่ะที่คุณติดแล้วคุณจดจําว่าโอ้โหมันรสชาติอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยความรู้เนี่ยมันสู้ความจริงที่ที่เราติดมาตั้งนมนานแล้วเราก็ไปฝังหัวอยู่ว่าโอ้โหต้องอย่างนี้ถึงจะอร่อย อ, อย่างนี้ถึงจะแซ่บคุณฝังอยู่อย่างนี้นะพอคุณมากินส้มตำแบบบังสวิรัติกินส้มตำเจก็ไปนะคุณก็โ อ, อ้ไม่อร่อยเลยไม่อยากกินเพราะฉะนั้นคนนี้จะกินต่อไปไม่ได้ละกินมังสวิรัติหรือกินเจต่อไปไม่ได้เพราะว่าเขายืดเยืนเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนด้วยอย่างเงี้เพรา ะ, ะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะแล้วต้องรู้สิถามง่ายๆว่า เนื้อสัตว์กับพืชผักผลไม้มันต่างกันไหมมันต่างกันแน่นอนรสชาติก็ต้องไม่เหมือนกันแน่นอนถึงแม้จะเรียกว่าส้มตําเหมือนกันก็ตามแต่รสชาติต้องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรสชาติถ้าจะอร่อยก็ต้องอร่อยแบบมังสวิรัตคุณอย่าเอาอร่อยแบบเนื้อสัตว์มาเปรียบกับอร่อยแบบมังสวิรัตเพราะมันคนละรสชาติดังนั้นถ้าใครเนี่ยไม่ติดยึดกับ ของเก่าอันนั้นมากนะคุณปรับเปลี่ยนใจได้แล้วคุณก็มาลองกินแบบมังสวิรัตคุณก็เออเออมมังสวิรัตจะรสชาติแบบนี้อ่านะจะมีอะไรนะกินอย่างนี้เพราะั้นกินไปคนนี้ก็จะเริ่มเริ่มรับรสใหม่ที่ว่าอ๋อต้องต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี้ขอครขาวนี้คุณก็อยายาว่าเออถ้าเป็นรสมังสวิรัตต้องไปอย่างนี้นะจะไม่คาวจะไม่กินแรง เหมือนกับเนื้อสัตว์แล้วถ้าคุณกินแล้วคุณมายึดนะยึดแบบมังสวิรัตนะคราวนี้คุณไปสังเกตดูสิคุณลองไปกินเป็นเนื้อสัตว์หน่อยโอ้โหคราวนี้คุณไม่อยากไปกินเลยเพราะเพราะเพราะอะไรเออเพราะทั้งกลิ่นทั้งอะไรก็มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะยิ่งถ้าใครมีอุปทานมากนะใครเลิกจากเนื้อสัตว์เนี่ยมากินมังสวิรัต ถ้ายึดจนกระทั่งยึดเกินนะนะยึดจนกระทั่งเรียกว่าโอ้โหแต่นิดแต่หน่อยเนื้อสัตว์บ้างแบบว่าได้กลิน่นเนี่ยบางคนยังแค่ได้กลิ่นแค่อะไรนิดหน่อยเงี้ยหรือเผอเผอบางทีไม่รู้นะว่าว่ามันมีเนื้อสัตว์หลงมาเงี้ยกินเข้าไปหน่อยบางคนอาเจียนเลยอ้วกเลยนะผักมากเกินไปมันก็มันก็อาการอย่างนั้นก็เป็นได้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ได้เนี่ ย, ยต้องคิดเป็นมุมตรงข้ามไม่ได้หรือผู้อีกอย่างนะึคราวนี้ในหัวข้อนี้เนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าเราต้องพยายามเห็นอสุภะใช่ไหมจากสิ่งที่เราติดยึดที่เราชอบแต่ตอนนี้มุมกลับกันก็คือตอนนี้สิ่งที่เราเกลียดชังสิ่งที่เราไม่ชอบก็ตามคราวนี้เป็นอสุภะ นะสิ่งที่เป็นอสุภะคุณไม่ชอบหน้าคนนี้เลยหน้าคนนี้ดูที่อะไรนะปากก็เอียงคิวก็ตก <c oughs> ตาก็ขวางโอ้โง่เห้งคนนี้ไม่อยากเห็นหน้าเลยนั้นแล้วคุณก็เรียกว่าสะสมจิตที่เกลียดคนนี้อยู่เรื่อยเกลียดคนนี้อยู่เรื่อยถ้าอย่างนี้คุณจะล้างจิตพวกนี้ไปได้จะต้องทำยังไง คือเราเห็นอะไรเป็นอสุภะอยู่เรื่อยเลยคือเป็นความไม่ชอบใจเป็นความเกียดชังเป็นความถือสาเป็นความน่ารังเกียจอะไรเงี้ยจะคลายจิตพวกนี้ลงมาต้องใช้อะไรเออก็ต้องใช้อสุภะเออต้องใช้สุภะเนี่ยหรือว่าต้องพยายามมองมุมดีหรือว่ามุมชอบมุมสวยให้ได้คุณถึงจะเออล้างจิตไอ้ที่เราเกียดเราไม่ชอบยิ่งโดยเฉพาะ ไอ้ข้าวของไม่เท่าไรหรอกข้าวของนี่ยังไม่ยากแต่คนนี่สิคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบอัตมาพูดบ่อยว่าอย่าว่าแต่ได้ยินเสียงเลยไอ้ได้ยินเสียงนี่ถือว่าหนักนะนะโอ้โหได้ยินเสียงเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยทันทีเลยนะหูกระดิกเลย <laughs> หูกระดิกเลยนะเรียกว่าอืควันขึ้นหัวเลยนะ <laughs> หรือไม่ ก, ก็ควันออกหูเลย ไม่ต้องถึงขั้นได้ยินเสียงหรอกแค่มีคนพูดชื่อของเขาขึ้นมาเท่านั้นเองอะ่ะโอ้โหทันทีเลยรู้สึกหือเกลียดทันทีเลยวับวับวับไฟลุกขึ้นมาในจิตในใจเราเลยเพราะอย่างเงี้ยก็ต้องเออเขามีดีอะไรบ้างเขามีส่วนไหนบ้างนะที่เราพอจะคิดได้ว่ า, วาเออเออคนนี้ก็ก็เป็นคนเหมือนเรานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะในโลกนี้ อย่างไน้อยเออเาก็ต้องมีพ่อแม่เขาต้องมีลูกเขามีเพื่อนเ็ามีพี่เออเขาไม่มีดีเลยแต่ว่านี่แม้บางทีเขาก็ยังรักครอบครัวเขานะหรืออะไรเห็นไก็ยังต้องหามุมมองที่เรียกว่าเออพอที่จะมาล้างจิตที่เราคิดแต่ไม่ดีกับเขาเนี่ยลงไปให้ได้บ้างอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะตรงกับที่พู้เจ้าท่านช้บอกว่าเนี่ยใช้สร้างจิตเมตตาให้มากขึ้นถึงจะละพยาบาทได้ นะมันจะมันจะเป็นแง่มุมเดียวกันเพียงแต่ว่ามันตรงกันข้ามเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อที่ให้พวกเราเข้าใจในเรื่องของอสุภะซึ่งซึ่งอสุภะเนี่ยมันจะบอกแล้วว่าไม่เหมือนกันบางคนนี่ชอบใส่เสื้ออะไรนะมอสอหน่อยนะมอสอหน่อยถ้าโดยภาษาทั่วๆไปก็บอกอะไรนะไอเสื้อเก่าเก่าอะ เสื้อเก่าๆปะปะมั่งอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเสื้ออสุภาถูกไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมถ้าถ้ า, ถ, าถ้าดูโดยหยาบๆก่อนนะอันนี้แต่คราวนี้อาตมาจะพูดบุมกลับนะฟังดูใหดีดปรากฏว่าคนเนจะชอบมากเลยไอ้เสื้อเก่าๆปะปะเนี่ยจนกระทั่งติดเลยก็ได้ติดแต่เสื้อเก่าๆปะปะถ้าวันไหนเกิดจําใจต้อง ต้องเปลี่ยนยนะะเอาเสื้อธรรมดาที่มันไม่ปะเนี่มาใส่นะโอ้โหรู้สึกคันเนื้อคันตัวรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจสแสดงว่าคนนี้เนี่ยสําหรับคนนี้เนี่ยไอ้เสื้อเก่าๆปะป ะ, ปะของเขาอะ่ะใส่จนชอบใส่จนติดแล้วก็เป็นสุภะของคนนี้คุณฟังดูให้ดีเป็นสุภะของคนนี้นะแต่ในสายตาคนทั่วไปก็บอกแล้วนี่คือสุภะ ใช่ไมไอเสื้อเกา่าๆปะๆอย่างเงี้ยใครอจะไปมันสมควรที่จะไปรักไปติดไปอะไรที่ไหนอ่ะแต่ไม่มันไม่แน่หรอกคนที่ชอบอย่างนี้จริงๆก็มีอ่ะแล้วติดจริงๆนะจะเอาใหม่ๆเอาอะไรมาที่จะมาเปลี่ยนมาอะไรนี่ไม่ได้เลยไม่ยอมเอาเป็นเอาตายด้วยไออย่างนี้เนี่ยนี่ก็คือการติดคือการหลงเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสุภาษของคนนั้น ซึ่งคนนั้นก็จะต้องมาล้างจิตมันก็จะต้องเห็นให้ได้ว่าเออมันควรจะเปลี่ยนแปลงแล้วไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ควรแล้วมันมันป่าจนมันกลายเป็นอะไรอ่ะกลายเป็นโทษภัยหรือกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วมันเกินพอดีไปละอย่างเงี้ยคนนี้ก็ต้องล้างจิตตัวเองให้ได้วันบางคนเนี่ยถ้าติดมากๆนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะคือจิตมันจะไม่เป็นกลาง จิตมันจะไม่สามารถที่เรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องใส่แต่ที่ตัวเองอย่างที่ตัวเองชอบเท่านั้นแะถ้าไม่ชอบใส่ไม่ได้เลยมีอยู่ยุคที่บางทีพวกเราเนี่ยอะไรนะพ่อท่านก็เปิดโอกาสว่าบางทีไปร่วมงานกับพวกข้างนอกเขามั่งโอบางคนนี่ให้แต่งตัวหน่อยไม่ได้เลยจะป่วย ให้แต่งตัวหน่อยไม่ได้เลยนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นมันก็ไม่ควรไปติดถึงขนาดนั้นหรือบางคนเนี่ยให้กินข้าวกล้องจนกระทั่งจริงมันดีมันถูกต้องแล้วมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ากินจนติดชนิดที่เรียกว่าบางวันให้กินข้าวขาวบ้างโอ้โหกินไม่ได้ธรรมะก็พูดบ่อยนะเรื่องนี้ว่านี่ของจริงก็มีมาแล้วโอโ้กินข้าวกินข้าวกล้องไปมืออนะอปม้อเดียวเท่านั้นเองอนะไอ้กินข้าวขาวไปมื้อเดียวเท่านั้นเอง โอ้โหรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเลยรู้สึกแหมชักชั ก, ช, กชักจะแย่แล้วนะโอ้โหเพราะว่าอุปทานนผมไปทราบไปอุปทานว่ากินข้าวขาวไปนี่ข้าวขาวไม่มีประโยชน์มีแต่แป้งอะไรต่ออะไรโอ้โหอันนี้เกินไปเกินไปเพราะฉะนั้นเราเราปฏิบัติธรรมเราไม่ใช่ให้จิตมันกลายเป็นจากเดิมโตงข้างหนึงแล้วก็ไปโตงอีกข้างหนึ่งนะปฏิบัติเสร็จนะไปอีกบุมหนึ่งเลยไม่ใช่เราจะต้องรู้จัก มัชิมาปฏิปทาด้วยแต่เป็นมัชิมาปฏิปทาที่รู้จักมากน้อยรู้จักสันโดษรู้ความพอดีเอ่อพอดีพอเหมาะพอควรว่าขนาดไหน